กรมมจริยสูตรว่าด้วยการประพฤติพรหมจรรย์ภิกษุทั้งหลายตถาคตประพฤติพรหมจรรย์ น, นี้มิใช่เพื่อจะลวงคนมิใช่เพื่อเกลี้ยกล่อมคนมิใช่เพื่ออนิสงค์คือลาบสักระและชื่อเสียงมิใช่เพื่ออนิสงค์คือการอวดอ้างวาทะมิใช่เพื่อให้คนรู้ว่าคนจงรู้จักเราด้วยอาการอย่างนี้แท้จริง ท้าโคตรประพฤติพรหมจรรย์นี้เพื่อสำรวมระวังเพื่อละเพื่อคลายกำหนัดเพื่อดับทุกข์พระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นั้นได้ทรงแสดงพรหมจรรย์ปราศจากความยึดมั่นถือมั่นแต่โบราณทําให้สัตว์ถึงพระนิพพานเพื่อสำรวมระวังเพื่อละหนทางนี้ท่านผู้ใหญ่ผู้สแสวงหาคุณยิ่งใหญ่ดําเนินไปตามแล้วอันหนึ่งเราชนผู้ปฏิบัติตามแนวทาง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 ภิกษุผู้หลอกลวงภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่าใดหลอกลวงกระด้างประจบชอบวางท่าอวดดีมีจิตไม่ตั้งมั่นภิกษุเหล่านั้นชื่อว่าไม่ใช่ผู้นับถือเราห่างไกลาจากธรรมวิ น, นัยนี้และย่อมไม่ถึงความเจริญงกงามไพ่บูรณ์ในธรรมวิ น, นัยนี้ส่วนภิกษุเหล่าใดไม่หลอกลวงไม่ประจบเป็นนักปราดไม่กระด้างมีจิตตั้งมั่น ภิกษุเหล่านั้นแลชื่อว่าผู้นับถือเราไม่ห่างไกลาจากธรรมวิ น, นัยนี้และถึงความเจริญงอกงามไพบู์ในธรรมวิ น, นัยนี้พวกภิกษุผู้หลอกลวงกระด้างประจบชอบวางท่าอวดดีและมีจิตไม่ตั้งมั่นย่อมไม่งอกงามในธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วส่วนภิกษุที่ไม่หลอกลวงไม่ประจบเป็นนักปราดไม่กระด้าง และมีจิตตั้งมั่นดีย่อมงอกงามในธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงไว้แล้วกุหาสูที่หจบเจ็ดสันตุทิสูตรว่าด้วย ความสันโดษด้วยปัจจัยสี่ภิกษุทั้งหลายปัจจัยสี่อย่างนี้มีค่าน้อยหาได้ง่ายและไม่มีโทษปัจจัยสี่อย่างอะไรบ้างคือ 1. บรรดาจีวรผ้าบางสุขุลจีวรผ้าที่ได้มาจากกองฝุ่นมีค่าน้อยหาได้ง่ายและไม่มีโทษ 2. บรรดาโภชนะปิณธิยาโลปะโภชนะ โฉนหคือคำข้าวที่ได้มาด้วยกําลังปลีแข้งมีค่าน้อยหาได้ง่ายและไม่มีโทษ 3. บรรดาเสนาสนะรุกขมูลเสนาสนะอยู่อาศัยโคนไม้มีค่าน้อยหาได้ง่ายและไม่มีโทษ 4. บรรดายารักษาโรคปูติมุตตะเพสัตยาดองน้ํามูดเน่ามีค่าน้อยหาได้ง่ายและไม่มีโทษ ปัจจัยสี่อย่างนี้แลมีค่าน้อยหาได้ง่ายและไม่มีโทษภิกษุทั้งหลายเพราะภิกษุเป็นผู้สันโดดด้วยปัจจัยที่มีค่าน้อยและหาได้ง่ายนี้เราจึงกล่าวว่าเป็นองค์ประกอบแห่งความเป็นสมณะอย่างหนึ่งของภิกษุนั้นจิตของภิกษุผู้สันโดดด้วยปัจจัยที่มีค่าน้อยหาได้ง่ายและไม่มีโทษย่อมไม่มีความคับแค้นไม่ติดขาดทั่วทิศ เพราะปรารพจีวรโพชนะเสนาสนะและยารักษาโรคและธรรมที่เหมาะแก่ความเป็นสมณนะที่ภิกษุนั้นกล่าวไว้แล้วอันภิกษุผู้สันโดษไม่ประมาทบรรลุแล้วสันตุทิสูที่7จจบ อริยวังสสูตรว่าด้วยอริยวงภิกษุทั้งหลายอริยวงสี่ประการนี้รู้กันว่าล้ำเลิศรู้กันมานานรู้กันว่าเป็นอริยวงเป็นของเก่าไม่ถูกลบล้างแล้วไม่เคยถูกลบล้างไม่ถูกลบล้างจากไม่ถูกลบล้างไม่ถูกสมณพราหมณ์ผู้รู้คัดค้านอริยวงสี่ประการอะไรบ้างคือ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 เพราะความสันโดษด้วยจีวรนตามแต่จะได้นั้นภิกษุใดขยันไม่เกียรคร้านมีสัมปชัญญะมีสติมั่นคงในความสันโดษด้วยจีวรนตามแต่จะได้ภิกษุนี้เราเรียกว่าผู้ตั้งอยู่ในอริยวง์ที่รู้กันว่าลำเลิศเป็นของเก่า 2. สันโดษด้วยบิณทบาทตามแต่จะได้กล่าวสรรเสริญความสันโดษด้วยบิณทบาทตามแต่จะได้ ไม่สแสวงหาอันไม่สมควรเพราะบินทบาตเป็นเหตุไม่ได้บินทบาตก็ไม่กรธงะวัะวยครั้นได้แล้วก็ไม่ติดใจไม่หมกมุ่นไม่ลุ่มหลงมองเห็นโทษมีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกฉันอยู่และไม่ยกตนข่มผู้อื่นเพราะความสันโดดด้วยบินทบาทตามแต่จะได้นั้นภิกษุใดขยันไม่เกียดคร้านมีสัมปชัญญะมีสติมั่นคงในความสันโดดด้วยบินทบาทตามแต่จะได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 มีปัญญาเป็นเครื่องสลัดออกใช้สอยอยู่และไม่ยกตนข่มผู้อื่นเพราะความสันโดดด้วยเสนาสนะตามแต่จะได้นั้นภิกษุใดขยันไม่เกียรคร้านมีสัมปชัญญะมีสติมั่นคงในความสันโดดด้วยเสนาสนะตามแต่จะได้ภิกษุนี้เราเรียกว่าผู้ตั้งอยู่ในอริยวงที่รู้กันว่าล้ำเลิศเป็นของเก่า 4. มีภาวนาเป็นที่รื่นรม ยินดีในภาวนามีปหานะการละเป็นที่รื่นรมยินดีในปหานะและไม่ยกตนข่มผู้อื่นเพราะความเป็นผู้มีภาวนาเป็นที่รื่นรมยินดีในภาวนาเพราะความเป็นผู้มีปหานะเป็นที่รื่นรมยินดีในปหานะนั้นภิกษุใดขยันไม่เกียรครานมีสัมปชัญญะมีสติมั่นคงในภาวนาและปะหานะภิกษุนี้เราเรียกว่า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 ภิกษุผู้ประกอบด้วยอริยวงสี well so ่ประการนี้แม้จะอยู่ในทิศตะวันออกก็ครอบงำความไม่ยินดีได้ความไม่ยินดีครอบงำเธอไม่ได้แม้จะอยู่ในทิศตะวันตกแม้จะอยู่ในทิศเหนือแม้จะอยู่ในทิศใต้ก็ครอบงำความไม่ยินดีได้ความไม่ยินดีครอบงำเธอไม่ได้ข้อนั้นเพราะเหตุไรเพราะเธอเป็นนักปราดชื่อว่า เป็นผู้ครอบงำความไม่ยินดีและความยินดีได้ความไม่ยินดีครอบงำนักปราดไม่ได้ความไม่ยินดีครอบงำนักปราดไม่ไ ด, มไม ด, ไได้แต่นักปราดครอบงำความไม่ยินดีได้เพราะนักปราด ช, ชื่อว่าผู้ครอบงำความไม่ยินดีราคะหรือโทสะอะไรจะปิดกั้นบุคคลผู้บรรเทากิเลสแล้วผู้ละกรมทุกอย่างได้เด็ดขาดใครเล่าจะสามารถติเตียนเขา ผู้เป็นเหมือนแท่งทองชมพูนุชแม้เทวดาและมนุษย์ก็สรรเสริญเขาถึงพรมก็สรรเสริญเขาอริยวังสสูตรที่8ดจบ 9. ธรรมปะทะสูตรว่าด้วย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 สี่สัมมาสมาธิความตั้งจิตมั่นชอบเป็นธรรมบทที่รู้กันว่าล้ำเลิศรู้กันมานานรู้กันว่าเป็นอริยวงเป็นของเก่าไม่ถูกลบร้างแล้วไม่เคยถูกลบร้างไม่ถูกลบร้างจากไม่ถูกลบร้างไม่ถูกสมณะพราหมณ์ผู้รู้คัดค้านภิกษุทั้งหลายธรรมบทสี่ประการ น, นี้แหลที่รู้กันว่าล้ำเลิศรู้กันมานาน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 ปริภาจกะสูตรว่าด้วยปริภาชกสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณภูเขาคิจกรูดเขตรุงราชครึ้สมัยนั้นแหลปริภาชกหลายท่านที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันอาศัยอยู่ในปริภาชการามริมฝั่งแม่น้ำสิปิณีคืออ น, นภาระปริภาชกวัทระปริภาชก สกุลุทายีปริพาชกและปริพาชกท่านอื่นๆที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันครั้นในเวลาเย็นพระผู้มีพระภาคเสด็จออกจากที่หลีกร้นเข้าไปยังปริพาชการามริมฝั่งแม่น้ำสิปินีประทับนั่งบนพุทธ า, าที่ปูลาดไว้แล้วได้ตรัสกับปริพาชกเหล่านั้นดังนี้ว่าปริพาชกทั้งหลายธรรมาบทสประการนี้ที่รู้กันว่าล้าเลิศ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 บุคคลใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเราจะบอกคืนอนนาพิชาที่เป็นธรรมบทนั้นแล้วบัญญัติบุคคลผู้มีอภิชามีราคะแรงกล้าในการทั้งหลายว่าเป็นสมณะหรือพรามในเรื่องนั้นเราพึงกล่าวกับบุคคลนั้นอย่างนี้ว่าผู้ที่ถูกบัญญัติว่าเป็นสมณะหรือพรามนั้นจงมาจงกล่าวจงพูดเราจะดูอนุภาพของเขา เป็นไปไม่ได้เลยที่บุคคลนั้นจะบอกคืนอนนาิชาที่เป็นธรรมบทแล้วบัญญัติบุคคลผู้มีอภิชามีราคะแรงกล้าในกามทั้งหลายว่าเป็นสมณะหรือพรามบุคคลใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเราจะบอกคืนอภยาบาตรที่เป็นธรรมบทนั้นแล้วบัญญัติบุคคลผู้มีจิตพยาบาทมีความดำริแห่งจิตชั่วร้ายว่าเป็นสมณะหรือพรามในเรื่องนั้น เราเพึ่งกล่าวกับบุคคลนั้นอย่างนี้ว่าผู้ที่ถูกบัญญัติว่าเป็นสมณะหรือพราหมณ์นั้นจงมาจงกล่าวจงพูดเราจะดูอนุภาพของเขาเป็นไปไม่ได้เลยที่บุคคลนั้นจะบอกเคืรนอภยาบาต ท, ที่เป็นธรรมบทแล้วบัญญัติบุคคลผู้มีจิตพยยบาทมีความดำริแห่งจิตชั่วร้ายว่าเป็นสมณะหรือพราหมณ์บุคคลใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่า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 บัญญัติบุคคลผู้มีสติหลงลืมไม่มีสัมปชัญญะว่าเป็นสมณะหรือพรามบุคคลใดพึงกล่าวอย่างนี้ว่าเราจะบอกคืนสัมมาสมาธิที่เป็นธรรมบทนั้นแล้วบัญญัติบุคคลผู้มีจิตไม่ตั้งมั่นมีจิตขวัดแกว่งว่าเป็นสมณะหรือพรามในเรื่องนั้นเราพึ่งกล่าวกับบุคคลนั้นอย่างนี้ว่าผู้ที่ถูกบัญญัติว่าเป็นสมณะหรือพรามนั้นจงมา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 พร้อมทั้งเหตุคล้อยตามวาทะไม่ชอบธรรมที่น่าติเตียนในปัจจุบันฐานาสีประการอะไรบ้างคือ 1. ถ้าติเตียนคัดค้านอนาพิชาที่จัดเป็นธรรมบทก็ชื่อว่าเป็นผู้บูชาสันเสริญสมณะหรือพราหมณ์ผู้มีอภิชามีราคะแรงกล้าในการมทั้งหลาย 2. ถ้าติเตียนคัดค้านอพยาบาทที่จัดเป็นธรรมบทก็ชื่อว่า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 เป็นผู้บูชาสันเสริญสมณะหรือพรามผู้มีจิตไม่ตั้งมั่นมีจิตขวัดแกวงบุคคลใดสำคัญธรรมบทสประการนี้ว่าควรติเตียนควรคัดค้านบุคคลนั้นย่อมได้รับฐานะสี่ประการพร้อมทั้งเหตุคล้อยตามวาทะไม่ชอบธรรมที่น่าติเตียนในปัจจุบันปริพาชกชื่อวัฏ ส, สะและพันยะผู้อยู่ในอุกละชนบท เป็นอเหตุกะวาทะอกิริยะวาทะนติกะวาทะสำคัญธรรมบทสีประการนิว่าไม่ควรติเตียนไม่ควรคัดค้านข้อนั้นเพราะเหตุใดเพราะกลัวการนินทาการกระทบกระแท่งและการกล่าวให้ร้ายบุคคลผู้ไม่พยาบาทมีสติทุกเมือ่อมีจิตตั้งมั่นดีภายในผู้ศึกษาในธรรมเป็นเครื่องกำจัดอภิชาเราเรียกว่า ผู้ไม่ประมาทปริภาชากะสูตรที่10จบอุรุเวลวักที่สจบรวมพระสูตรที่มีในวักนี้คือ 1. ปฐมมอุรุเวลสูตร 2. ทุติยะอุรุเวลสูตร 3. โลกสูตร 4. กาละก า, ามสูตร 5. พรหมจริยสูตร 6. กกุหะสูตร เจ็ดสันตุทิสูตรแปดอริยวังสสูตรเก้าธรรมปฏะสูตรสิบปริภาชกะสูตรสี่จักวักหมวดว่าด้วยจาก 1. จั ก, กระสูรว่าด้วยจากสประการพระผู้มีพระภาคตรัสว่าภิกษุทั้งหลายจากสประการนี้เป็นเหตุให้เทวดาและมนุษย์ผู้ประกอบแล้วเป็นไปได้และถึงความเป็นใหญ่ความไพยบูรในโภคาทั้งหลายต่อการไม่นานนะักจาก4ประการอะไรบ้างคือ 1. ปฏิรูปะเทสวาสะการอยู่ในถิ่นที่ดี 2. สั ป, ปุริสูปัสยะการสมาคมกับสัตว์รุษ 3. อัตตะสัมมาปานิธิการตั้งตนไว้ชอบ 4. ปุเพกะตะปุญญาตาความเป็นผู้ได้ทำความดีไว้ก่อนแล้วจากสีประการนี้แหละเป็นเหตุให้เทวดาและมนุษย์ผู้ประกอบแล้วเป็นไปได้และถึงความเป็นใหญ่ความไพยบูรณ์ในโภคะทั้งหลายต่อการไม่นานนัก ข้าเปลือกทรัพย์ยศชื่อเสียงและความสุขย่อมหลั่งไหลมาสู่นรชนผู้อยู่ในถิ่นที่ดีผูกไมตรีกับอริยชนสมบูรณ์ด้วยการตั้งตนไว้ชอบได้ทำความดีไว้ก่อนแล้วจกักรสูที่หนึ่งจบ 2. ส, สังคหสูตรว่าด้วยสังหาวัตถุภิกษุทั้งหลายสังหาวัตถุทำเครื่องยึดเหนี่ยวสีประการนี้สังหาวัตถุสีประการอะไรบ้างคือ 1. ทานการให้ 2. อปียวัชชะวาจาเป็นที่รัก 3. อัตจริยาการประพฤติประโยชน์ 4. สมานตตา การวางตนสม่ำเสมอภิกษุทั้งหลายสังฆาวัตถุสี่ประการนี้แหละทานปิยวัชชะอัตจริยาในโลกนี้และสมาณตาตาในธรรมนั้นๆตามสมควรสังหะธรรมเหล่านี้และช่วยอุ้มชูโลกเหมือนลิมสลักที่ยึดคุมรถซึ่งเล่นไปไว้ได้ฉชนนั้นถ้าไม่พึงมีธรรมเหล่านี้มารดาหรือบิดา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 สสีหสูตรว่าด้วยพยาราชสีภิกษุทั้งหลายในเวลาเย็นพยาราชสีออกจากที่อาศัยบิกกายชำเลืองดูรอบๆทั้งสีทิศบันเลอสีหนาสามครั้งแล้วหลีกไปหาเหยื่อโดยมากสัตว์เดรัจฉานที่ได้ฟังพยาราชสีบันเลอสีหนาย่อมถึงความกลัวหวาดวันและสะดุง้ง สัตว์พวกที่อาศัยอยู่ในโพรงก็หลบเข้าโพรงพวกที่อาศัยอยู่ในน้ำก็ดำลงในน้ำพวกที่อยู่ในป่าก็หนีเข้าปา่าพวกสัตว์ปีกก็บินขึ้นสูงอากาศพญาช้างที่ถูกกล่ามไว้ด้วยเครื่องผูกคือเชือกหนังที่มั่นคงแข็งแรงในหมู่บ้านตำบลและเมืองหลวงก็ตัดทำลายเครื่องผูกเหล่านั้นตกใจกลัวถ่ายมูดและกรีดหนีไปทางใดทางหนึ่ง บรรดาสัตว์เดริชานทั้งหลายพญาราชสีเป็นสัตว์มีฤทธิ์มากอย่างนี้มีศักดิ์มากอย่างนี้มีอนุภาพมากอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเมื่อใดตถาคตอุบัติในโลกเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ด้วยตนเองโดยชอบเพียบพร้อมด้วยวิชาและเจรณะไปดีรู้แจ้งโลกเป็นสารถีฝึกผู้ที่ควรฝึกได้อย่างยอดเยี่ยมเป็นศาสดาของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลาย เป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระผู้มีพระภาคแสดงธรรมว่าสักกายะเป็นอย่างนี้สักกายะสมุทัยเหตุเกิดสักกายะเป็นอย่างนี้สักกายะนิโรธความดับสักกายะเป็นอย่างนี้สักกายะนิโรธาคาไม่นิปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงความดับสักกายะเป็นอย่างนี้เมื่อนั้นเทวดาพวกที่มีอายุยืนมีวันนะมีสุขมาก สถิตยอยู่ในวิมานสูงเป็นเวลานานฟังธรรมเทศนาของตถาคตแล้วโดยมากย่อมถึงความกลัวหวาดวันสะดุ้งว่าผู้เจริญทั้งหลายทราบมาว่าพวกเราเป็นผู้ไม่เที่ยงแต่ได้สำคัญตนว่าเที่ยงเป็นผู้ไม่ยั่งยืนแต่ได้สำคัญตนว่ายั่งยืนเป็นผู้ไม่คงที่แต่ได้สำคัญตนว่าคงที่ท่านผู้เจริญทั้งหลาย พวกเราเป็นผู้ไม่เที่ยงไม่ยั่งยืนไม่คงที่เกี่ยวเนื่องอยู่ในสักกายะดังนี้บรรดาชาวโลกพร้อมทั้งเทวโลกตถาคตเป็นผู้มีฤทธิม์มากอย่างนี้มีสักมากอย่างนี้มีอนุภาพมากอย่างนี้อย่างนั้นเหมือนกันเมื่อใดพระพุทธเจ้าผู้เป็นศาสดาหาบุคคลเปรียบเทียบมิได้แตัสรู้ยิ่งแล้วประกาศธรรมจักคือส ก, กายะ เหตุเกิดสักกายะความดับศักกายะและอริยมรรคมีองค์แปดที่ให้ถึงความดับทุกข์แก่โลกพร้อมทั้งเทวโลกเมื่อนั้นเทวดาที่มีอายุยืนมีวันนะมียศวาดวันฟังคำของตถาคตผู้เป็นอรหันต์หลุดพ้นแล้วผู้คงที่ได้ถึงความสะดุ้งดุดเนื้อกลัวราชสีด้วยคิดว่าท่านผู้เจริญทราบว่า พวกเราเป็นผู้ไม่เที่ยงยังไม่ก้าล่วงสักกายะสีหสูตรที่สจบ 4. อักขะภาษาทสูรว่าด้วยความเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศ ภิกษุทั้งหลายความเลื่อมใสในสิ่งที่เลิ่อสประการนี้ความเลื่อมใสในสิ่งที่เลิ่4ประการอะไรบ้างคือ 1. สัตว์ทั้งหลายที่ไม่มีเท้ามีสองเท้ามีสเท้าหรือมีเท้ามากก็ตามมีรูปหรือไม่มีรูปก็ตามมีสัญญาไม่มีสัญญาหรือมีสัญญาก็ไม่ใช่ไม่มีสัญญาก็ไม่ใช่ก็ตามมีประมาณเท่าใด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 บุคคลผู้เลื่อมใสในอริยมรรคมีองค์8ชื่อว่าเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศและวิบากที่เลิศย่อมมีแก่บุคคลผู้เลื่อมใสในสิ่งที่เลิศสามธรรมที่ถูกปัจจัยปรุงแต่งหรือธรรมที่ไม่ถูกปัจจัยปรุงแต่งมีประมาณเท่าใดวิราคะความคลายกำหนัดคือความสางความเมาความดับความกระหายความถอนอาลายัยความตัดวัดตะ ความสิ้นตันหาความคลายกำหนัดความดับทุกข์นิพพานเรากล่าวว่าเลิกกว่าทรรมเหล่านั้นบุคคลผู้เลื่อมใสในวิราคธรรมชื่อว่าเลื่อมใสในสิ่งที่เลิศและวิบากที่เลิศย่อมมีแก่ บ, บุคคลผู้เลื่อมใสในสิ่งที่เลิศ 4. หมู่ก็ดีคณะก็ดีมีประมาณเท่าใดพระสงสาวกของตถาคตได้แก่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 ผู้เลื่อมใสในพระธรรมที่เลิศอันเป็นที่คลายความกำหนัดเป็นที่สงบประ ง, งับนำสุขมาให้ผู้เลื่อมใสในพระสงฆ์ผู้เลิศซึ่งเป็นนาบุญอันยอดเยี่ยมให้ทานในท่านผู้เลิศนักปราชญ์ผู้ตั้งมั่นในธรรมที่เลิศให้ทานแก่ท่านผู้เลิศเกิดเป็นเทวดาหรือมนุษย์ก็ตามย่อมถึงความเป็นผู้เลิศบันเทิงอยู่อักภาษาทศูรที่สจบ วัสการสูตรว่าด้วยวัสการพราหมณ์สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระเวฬุวันสถานที่เหยื่อกระแตเข ค, ครุงราชครืสมัยนั้นวัสการพราหมณ์ผู้เป็นมหาอัมมาแห่งแคว้นมคธเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้สนทนาปราศัยพอเป็นที่บันเทิงใจพอเป็นที่ระลึกถึงกันแล้วนั่งณที่สมควร เรีกราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่ท่านพระโคดมพวกข้าพเจ้าบัญญัติบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสีประการว่าเป็นมหาบุรุษผู้มีปัญญามากธรรมสี่ประการอะไรบ้างคือบุคคลในโลกนี้หนึ่งเป็นผู้หูสูดแห่งเรื่องที่ฟังนั้นๆรู้เนื้อความแห่งภาสิทธนน์นั้นๆว่านี้เป็นเนื้อความแห่งภาสิทธน์นี้นี้เป็นเนื้อความแห่งภาสิทธ์นี้ 2. มีสติระลึกถึงสิ่งที่ทำและคําที่พูดแม้นานได้ 3. เป็นคนขยันไม่เกียจคร้านในการงานที่จะต้องช่วยกันทำของครหัส 4. ประกอบด้วยปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาอันเป็นอุบายในการงานที่จะต้องช่วยกันทำนั้นๆสามารถทำได้สามารถจัดได้ข้าแต่ท่านพระโคดม พวกข้าพเจ้าบัญญัติบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสี่ประการนี้แลวว่าเป็นมหาบุรุษผู้มีปัญญามากข้าแต่ท่านพระโคดมถ้าข้าพเจ้าพึงยินดีขอท่านพระโคดมทรงยินดีตามข้าพเจ้าถ้าข้าพเจ้าพึงคัดค้านขอท่านพระโคดมทรงคัดค้านตามข้าพเจ้าด้วยเถิดพระผู้มีพระภาคตรัสว่าพราหมณ์เราไม่ยินดีตามแต่ไม่คัดค้านท่าน เราบัญญัติบุคคลผู้ประกอบด้วยธรรมสีประการว่าเป็นมหาบุรุษผู้มีปัญญามากธรรมสีประการอะไรบ้างคือบุคคลในโลกนี้หนึ่งปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อสุขแก่คนหมู่มากให้คนหมู่มากตั้งอยู่ในอริยธรรมที่ควรรู้คือความเป็นผู้มีกัลยาณธรรมความเป็นผู้มีครูสนธรรม 2. ปรารถนาจะตรึกตรองเรื่องใดก็ตรึกตรองเรื่องนั้นไม่ปรารถนาจะตรึกตรองเรื <IX> ่องใดก็ไม่ตรึกตรองเรื่องนั้นปรารถนาจะดําริเรื่องใดก็ดําริเรื่องนั้นไม่ปรารถนาจะดําริเรื่องใดก็ไม่ดําริเรื่องนั้นถึงความเชี่ยวชาญในจิตในแนวทางแห่งการตรึกตรองทั้งหลาย 3. เป็นผู้ได้ชาญสี่อันมีในจิตยิ่งซึ่งเป็นเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันตามความปรารถนา ได้โดยไม่ยากได้โดยไม่ลำบาก 4. ทํทำให้แจ้งเจโตวิมุตต์ปัญญาวิมุตต์อันไม่มีอาสวะเพราะอาสวะสิ้นไปด้วยปัญญาอันยิ่งเองเข้าถึงอยู่ในปัจจุบันพรามเราไม่ยินดีตามแต่ไม่คัดค้านท่านเลยเราบัญญัติบุคคลผู้ประกอบด้วยทำสี่ประการนี้แล้วว่าเป็นมหาบุรุษผู้มีปัญญามากวัชการพรามกราบทูลว่า ข้าแต่ท่านพระโคโดมน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏท่านพระโคโดมตรัสเรื่องนี้ไว้ดียิ่งนักพวกข้าพเจ้าจะทรงจำท่านพระโคโดมไว้ว่าเป็นผู้ประกอบด้วยธรรมสีประการนี้ว่าแท้ที่จริงท่านพระโคโดมทรงปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อสุขแก่คนหมู่มากให้คนหมู่มากตั้งอยู่ในอริยธรรมที่ควรรู้คือความเป็นผู้มีกาลยานธรรม ความเป็นผู้มีคุณสลธรรมท่านพระโคดมทรงปรารถนาจะตรึกตรองเรื่องใดก็ตรึกตรองเรื่องนั้นไม่ทรงปรารถนาจะตรึกตรองเรื่องใดก็ไม่ทรงตรึกตรองเรื่องนั้นทรงปรารถนาจะดําริเรื่องใดก็ดําริเรื่องนั้นไม่ทรงปรารถนาจะดําริเรื่องใดก็ไม่ดําริเรื่องนั้นทรงถึงความเชี่ยวชาญในจิตในแนวทางแห่งการตรึกตรองทั้งหลายทรงได้ฌานสีอันมีในจิตยิ่ง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 เราปฏิบัติเพื่อเกื้อกูลแก่คนหมู่มากเพื่อสุขแก่คนหมู่มากให้คนหมู่มากตั้งอยู่ในอริยธรรมที่ควรรู้คือความเป็นผู้มีกัลยาณธรรมความเป็นผู้มีคุณสนลธรรมก็เราปรารถนาจะตรึกตรองเรื่องใดก็ตรึกตรองเรื่องนั้นไม่ปรารถนาจะตรึกตรองเรื่องใดก็ไม่ตรึกตรองเรื่องนั้นปรารถนาจะดำริเรื่องใดก็ดำริเรื่องนั้น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 บุคคลผู้รู้แจ้งทางปลดเปลื้องสรรพสัตว์จากบ่วงแห่งมัจจุราชประกาศธรรมที่ควรรู้ที่เกื้อกูลแก่เทวดาและมนุษย์อันหนึ่งชนจำนวนมากเลื่อมใสเพราะเห็นหรือได้ฟังข่าวของบุคคลใดเราเรียกบุคคลนั้นผู้ฉลาดในธรรมที่เป็นทางและมิใช่ทางผู้ทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วไม่มีอาสวะเป็นพุทธะทรงชาติสุดท้ายว่าเป็นมหาบุรุษ วสการสูตรที่หจบหโทนสูตรว่าด้วยโทนพราหม์สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเสด็จทางไกลระหว่างเมืองอุ ก, กัทะกับเมืองเสตัพยะ โทนพรามก็ได้เดินทางไกลระหว่างเมืองอุ ก, กัตทะกับเมืองเสตัพยะได้เห็นรอยกงจักมีซี่กรรมตั้งพันสี่มีกรงมีดุมครบมีส่วนประกอบครบทุกอย่างที่รอยประบาทของพระผู้มีพระภาคได้มีความคิดว่าท่านผู้เจริญน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏรอยเท้าเหล่านี้คงไม่ใช่รอยเท้ามนุษย์ลำดับนั้น พระผู้มีพระภาคเสด็จลงข้างทางประทับนั่งที่โคนต้นไม้ต้นหนึ่งทรงคูบันลังตั้งกายตรงดํารงสติไว้เฉพาะหน้าลำดับนั้นโทนพราหมณ์เดินตามรอยพระบาทของพระผู้มีพระภาคได้เห็นพระผู้มีพระภาคประทับนั่งที่โคนต้นไม้ต้นหนึ่งมีพระอาการกิริยาน่าพอใจน่าเลื่อมใสมีพระอินทรีย์สงบมีพระไทยสงบ บรรลุการฝึกและความสงบยอดเยี่ยมทรงฝึกตนแล้วคุ้มครองแล้วสำรวมอินทรีย์ผู้ชื่อว่านาคะครั้นแล้วจึงเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับได้ทูลถามพระผู้มีพระภาคว่าท่านผู้เจริญเป็นเทวดาใช่หรือไม่พระผู้มีพระภาคตรัสตอบว่าเราไม่ใช่เทวดาพรามโทนพรามทูลถามว่า ท่านผู้เจริญเป็นคนทันใช่หรือไม่เราไม่ใช่คนทันพรามท่านผู้เจริญเป็นยักษ์ใช่หรือไม่เราไม่ใช่ยักษ์พรามท่านผู้เจริญเป็นมนุษย์ใช่หรือไม่เราไม่ใช่มนุษย์พรามโทนพรามทูลถามว่าท่านเมื่อถูกถามว่าท่านผู้เจริญเป็นเทวดาใช่หรือไม่ก็ตอบว่าเราไม่ใช่เทวดาพรามเมื่อถูกถามว่า ท่านผู้เจริญเป็นคนทันใช่หรือไม่ก็ตอบว่าเราไม่ใช่คนทันพราหมเมื่อถูกถามว่าท่านผู้เจริญเป็นยักษ์ใช่หรือไม่ก็ตอบว่าเราไม่ใช่ยักษ์พราหมเมื่อถูกถามว่าท่านผู้เจริญเป็นมนุษย์ษใช่หรือไม่มก็ตอบว่าเราไม่ใช่มนุษย์ษพราหมถ้าอย่างนั้นท่านเป็นอะไรกันแน่พระผู้มีพระภาคตรตัสตอบว่าพราหม เราพึงเป็นเทวดาเพราะยังละอาสวะเหล่าใดไม่ได้แต่อาสวะเหล่านั้นเราละได้เด็ดขาดแล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทำให้ไม่มีเกิดขึ้นต่อไปไม่ได้เราพึงเป็นคนทันเพราะยังละอาสวะเหล่าใดไม่ได้ละถึงพึงเป็นยักษ์พึงเป็นมนุษย์เพราะยังละอาสวะเหล่าใดไม่ได้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 แต่อยู่เหนือน้ำไม่แปดเปื้อนด้วยน้ำาฉะนั้นท่านจงจำเราไว้ว่าเป็นพระพุทธเจ้าอาสศวะทั้งหลายที่เป็นเหตุให้เกิดเป็นเทวดาหรือเป็นคนทันผู้เที่ยวไปในอากาศเป็นเหตุให้ถึงความเป็นยักษ์และความเป็นมนุษย์ได้สิ้นไปแล้วถูกเรากาจัดแล้วทำให้หมดเครื่องผูกพันแล้วดอกบุญทริกที่งดงามย่อมไม่แปดเปื้อนด้วยน้าชันใด เราก็ย่อมไม่แปดปื้อนด้วยโลกฉันนั้นพรามเพราะฉะนั้นเราจึงเป็นพระพุทธเจ้าโทนสูที่หจบ